เมื่อคืนหนาวสิบห้าสิบหกสิบห้าสิบหกนี่หนุ่มๆสาวๆนี่พอดีไม่หนาวสบายๆแต่สำหรับคนมีอายุหน่อยก็นหนาวนะหนาวนี่ปกติน้อยนะที่เราจะมาห่มผ้าชันจังหันไปเนี่ยลุยมันจะเป็นครั้งแรกโดยซ้าไปเนี่ยเนี่ยห่มผ้าหม่มชันจังหันเนี่ยมันก็ไม่หนาวเท่าไหร่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 เอได้ยินได้ฟังได้เห็นได้ประสบภาวะแวดล้อมได้เห็นบรรยากาศในวัดที่พักกติพักรวมสลาโชคดีนะมีที่พักสลาเนี่ยเราเพิ่งมาปรับปรุงมาปีสองปีเนี่ยเมื่อก่อนไม่มีที่พักดอกมาทุกคนก็ต้องเอาปลดเอาเต้นเอาอะไรมาเองชอบตรงไหนก็กางเอาเลยถ้าสมัครมาอย่างนั้นก็ได้ ท้าไม่สมัครมาอย่างั้นก็ไม่ได้แต่ก็ไม่ใช่เพิ่งมานะขอนแก่นเนี่ยพุทธศาสตรสัญจรขอนแก่นนี่มาตั้งแต่ปีแรกๆเลยแหละวันนี้มาทุกปีมาทีสองวันสามวันห้าวัน2วันสามวันห้าวันพุทธศาสตร์สัญจรตั้งแต่สมัยไอสว่างจิตเขายังทํางานอยู่ทํางานอยู่เหมอขอนก็าพามามาทีหลาเยอะๆ เ, เลยน ะ, ะบางทีมามากันมากเราก็ มาอยู่หลาวันสองสาวันเนี่ยเราก็เราก็รับหน้าตลอดไม่ไหวเรากหา็หาพี่เลี้ยงมาพี่เลี้ยงก็คือระดับนุ่นข้าราชการบํานาญนั่นแนะ่ะเป็นพี่เลี้ยงที่เขาไปฝึกมาอย่างดีแล้วเนี่ยเป็นผดครูพวกอะไรเนี่ยเป็นกลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งมาพาคนนั้นมามาเป็นพี่เลี้ยงของพวกนี้มีอยู่คราวหนึ่งพี่เลี้ยงเราพาเดินเท้าเปล่าขึ้นเขา <laughs> ลองดูที่ผ่เดินเท้าเปล่าขึ้นเขาเลยนะเดินขึ้นเดินลงเดินเป็นการเดินท้ดงดูป่าดูเขาดูอะไรไปเรื่อยนะกลุ่มนั้นเนี่ยหลังจากกลับไปแล้วมิดเลยไม่พูดถึงอีกเลยเข็ดเข็ดลองดูสิถอดรองเท้าเดินเราก็เห็นเขาเดินโอ้พี่เลี้ยงพี่เลี้ยงเราเนี่ยเอาคักวันนี่ว่าเดินก็ค่อยๆเหมือนกับแมวเดินนะ ตรงนี้เกี่ยวข้องมาตลอดแหละกับนักเรียนนักศึกษาบางทีอย่างคราวที่แล้วเนี่ยช่องระหว่างออกพรรษาพอดีทางธรรมศาสตร์เขาขอมาอยู่สักเจ็ดวันเราปีก่อ น, น้นเราให้อยู่มันลำบากมากพระเราก็เยอะด้วยคนในครัวเราก็น้อยพระเราก็เยอะ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 ฟังแล้วต้องไปนึกไปคิดไปใคร่ครวนตามอีกสุตตามมยะปัญญาได้ยินได้ฟังได้เห็นได้ยินได้ฟังกถือว่าเป็นสุตตะเสร็จแล้วกาจะลงตัวเอาไปใคร่ครวนเอาไปจ่ายตรองเพื่อจะให้เห็นเห็นเหตุเห็นผลที่แท้จริงเพื่อที่จะเอาไปประพฤติปฏิบตัติตามได้จริงมันเป็นเรื่องที่เราจะต้องเอาไปกินตะไปนึกไปคิดไปใคร่ครวนแ ล, วแล้วก็ทาตามถือบทนั้นเป็นบท เป็นบทฝึกซ้อมเป็นการบ้านเป็นบทฝึกซ้อมเป็นแบบฝึกหัดฝึกหัดยังไงฝึกหัดขั้นไหนฝึกหนฝึกหัดมากเท่าไหร่ฝึกหัดจนได้ฝึกหัดจนเป็นนั่นแหละไม่เป็นก็คือยังไม่เป็นน่ะทำให้ใจสงบทำให้ใจอยู่ทำเท่าไหร่ก็มาอยู่ทาเท่าไหร่ก็มาอยู่ไม่อยู่ก็คือไม่อยู่เราจะเอาอะไรไปเป็นเกณฑ์น่ะเราจะต้องเพิ่มความบุษสาวพยายามเพิ่มความความเพียรเพิ่มความความหนัก สติที่ยิบจอต่อเนื่องแบบไม่ขาดสายถ้าปล่อยเกิดช่องเมื่อไหร่นิสัยสันดานเก่าของกิเลส ท, ที่อยู่ในใจมันก็ทะลักเข้ามาแล้วปล่อยย้อนย้าให้มันเมื่อไหร่นิสัยเก่ามันทะลักออกมาแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นพื้นเพเป็นจิตนิสัยของเราของท่านทุกๆคนมาแล้วอย่าลืมมาทุกคนเกิดขึ้นโดยอํานาจของกิเลสกิเลสเราชี้ชัดไปที่ไหนคาว่ากิเลส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 เขาเลีนั aquí, that the the ่นแหละที่มันคอยแทรกแสงมาให้เราประสบความทุกข you know you know you know you know ์อยู่เนืองๆก็คือเจ้าความอยากระดูไปเจ้าความอยากปกติจิตสักถวารู้รู้รู้ที่ท่านชำระจนหมดจดแล้วทั้งก็สัตถวารู้แต่คำว่าสักที่ว่ารู้มันไม่ใช่รู้เหมือนต้นสาวเหมือนอะไรที่ยังไม่รู้เรื่องไม่ใช่รู้รอบหมดแล้วรู้รอบหมดแล้ววางไว้รู้รอบหมดแล้ววางไว้รู้รอบหมดแล้ววางไว้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 ผรู้ของเรานี่สามารถเอามาต่อกันกับกิเลสเจ้าของได้อย่างเดียวเทนั้นเอาไปต่อกันกับกิเลสของคนอื่นก็ไม่ได้เอาไปต่อกับเขาสิค่าการแกงกันก็ตายไปคนละฝั่งคนละภากเท่านั้นแหละาตายไปคนละข้างเนี่ยก็ชนะได้ไหมก็ชนะไม่ได้ชนะได้แต่ใจของตัวเองเอแก้ไขได้เฉพาะใจของตัวเราเองปรับปรุงแก้ไขได้เฉพาะใจของเราเอง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 ตั้งใจจะงดจะเว้นตั้งใจจะเจตจํานงอย่างเหนียวแน่นมั่นคงขนาดไหนขนาดไหนอันนี้เป็นอัตตปัตปจจัยของเราข้างในเป็นปัจจัยข้างในโดยแท้เราสามารถกะเกณียนได้เฉพาะอันนี้เราสามารถแก้ได้เฉพาะกิเลสในใจของเรากิเลสมนุษย์แก้ไม่ได้ดอกคุณลองเอากิเลสคุณไปแก้กิเลสคนอื่นแก้ไม่ได้พระสาวกรู้แต่เจ้าท่านก็อเป็นเป็นแต่เพียงสอนท่านเอง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 เหลือแบกเหลือหามเจ้าของไม่ได้อะไรเลยเพราะเจ้าของไม่เปิดใจรับเอานี่ปัจจัยอื่นพระปัจจัยปัจจัยส่วนตัวอัตตปัจจัยเราตั้งเจจำนองที่จะเอาอยัางไงเราได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นคําว่าอัตติอัตโนโนาตโธมาตรงนี้มาตรงนี้เนี่ยพ่อแม่ช่วยเราอยู่ช่วยอัตภาพร่างกายช่วยเลี้ยงช่วยดูช่วยอะไรสักอย่า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 กิเลสเป็นเหตให้ทํากรรมทํากรรมแล้วกลายเป็นวิบากถ้าเป็นวิบากละเอียดก็ไปเกิดสูงหน่อยถ้าเป็นวิบากหยาบเป็นวิบากที่จำํำจำชาลโมกก็ไปเกิดต่ําสับเปลี่ยนพบภูมิไปไม่มีจบไม่มีสิน้นนี่เป็นเรื่องของวัฏฏวุลเป็นกิเลสเป็นกรรมเป็นมาวิบากนี่คือการพัฒนาไปของโลกเพราะฉะนั้นวัฏฏสงสารของพวกเราจึงพัฒนาไปไม่มีจุดจบแต่อย่าลืมว่าวัฏฏสงสารของใครก็ตาม พัฒนาไปไม่มีจุดจบไม่มีที่จบกองทุกขของคนนั้นก็พัฒนาไปมากเท่านั้นผู้ไม่รู้สัจธรรมวัตตะสงสารของผู้ไม่รู้สัจธรรมจึงยืดยาวไปแบบไม่มีที่จบไม่มีจุดจบเพียงแต่เราตั้งใจรักษาสินปฏิบัติธรรมอย่างน้อยเข้าถึงกระแสธรรมคนคนนั้นก็จะทําพบชาติให้ย่นย่อพบชาติให้สั้นลง จากภพชาติไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตลงมาจํากัดเหลือแค่เจดชาติพระโสดาบันพระโสดาบันมาเกิดอีกอย่างมากเจดชาติไปเกิดอีกอย่างเดีวที่สุดหนึ่งชาติสองสามชาติเอกับพีชีโกลังโกละสตักขัตตุประมะไม่เกินเจดชาติหมายความว่าจิตตรงนี้มันมีขอบเขตจํากัดของมันแล้ว ที่มันจะข้ามพ้นไปตักไปจากกระแสของกิเลสของกรรมของวิบากเพราะฉะนั้นการที่เราจะตัดวัตวนวัฏฐสงสารเหล่านี้เราต้องตัดกิเลสนะเมื่อเราตัดกิเลสได้แล้วกิริยาทั้งหลายทั้งปวงกรรมทั้งหลายทั้งปวงศักถ้าว่าเป็นกิริยาศักถ้าว่าเป็นกิริยาเพราะการตัดกระแสของกรรมนั้นเป็นการเอาจิตมาตัดกระแสของกรรมมาไม่ใช่เอาไม่ใช่เอาจิต ไปตัดกระแสของกรรมกรรมเก่าเหมือนอย่างพระโมโคคัลลานะนะกระแสของกรรมเก่าท่านก็ตามต้อนท่านไปเพราะได้ช่องก็ให้ผลเพราะได้ช่องก็ให้ผลตายเกิดตายเกิดตายห้าร้อชาติก็ถูกเขาฆ่าทั้งห้าหอชาติเพราะกรรมที่ที่ไปเคยฆ่าแม่ตัวเองไว้อีกพระโมโคคัลลานะแต่ในขณะเดียวกันท่านพัฒนาในขณะจิตในปัจจุบันเพื่อที่จะเพื่อที่จะสร้างกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในจิตของเราเนี่ย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 เหมือนอย่างที่พวกเราได้มานี่บางคนก็ได้เป็นผู้ชายบางคนก็ได้เป็นผู้หญิงบางคนก็ฉลาดบางคนก็กลางๆบางคนก็อัดชร้นยะจริงๆเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติที่เราสร้างสร้างสมอบรมขึ้นในหัวจิตหัวใจของเรากระแสของกรรมเก่ากับกระแสของกรรมใหม่เพราะฉะนั้นกรรมใหม่ก็ไปตามพลังของกรรมใหม่การที่เราตั้งใจภาวนามันเป็นการทํากรรมใหม่สร้างกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในขณะปัจจุบัน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 เพราะฉะนั้นเราเระลึกย้อนหลังถึงกรรมเก่าโอ้โเราเคยกรรมหนักกับเรื่องนั้นกรรมหนักกับเรื่องนี้เราจะต้องสร้างกรรมใหม่ที่เป็นฝ่ายกุศลให้หนักมากกว่านั้นเหมือนกับนี้ตายว่า ง, งั้นเถอะตั้งใจแบบเข็ดลาบจริงๆเหมือนกับนี้ตายจริงๆกรรมเก่าก็ไม่สามารถจะตามทันเพราะเหมือนกับมเนื้อที่มันมีพลังเหมืนกับพุ่ง กระแสของกระแสสองกระแสมันไปในชีวิตของคนของเราแต่ละคนมันจะไม่หมดกระแสของกรรมเก่ามันก็ไปกระแสของกรรมใหม่ที่เราสร้างมันก็ไปเหมือนอย่างพระโมคคัะนะท่านมัดแค่ท่านตัดสินใจปึ้งเดียวไม่ถึงห้านาทีฆ่าแม่ตายให้ผลมาห้าร้อยชาติเกิดชาติไหนก็ถูกก็ฆ่าถูกก็ฆ่าถู้ก็ฆ่ะทําไมตัดสินใจแค่ปึ้งเดียวแค่นั้นทําไมให้ผลยืดยาวมากมายมหาศาลถ้าเราจะเทียบกับเหมือนกับอะไรเหมือนอย่างเรา ไปกู้หนี้ยืมสินเขาจะมาทับทมตัวเองจนรื้อฟื้นไม่ได้ไปกู้หนี้เขามากในสุดไม่สามารถจะส่งต้นส่งดอกส่งลายต่ออะไรได้ล้มละลายลักษณะแบบนี้มันเป็นการที่ไปทําสิ่งที่ทําให้เกิดโทษมากมายมหาศาลพ่อแม่เป็นเหมือนพระอรหันต์พ่อแม่เป็นเหมือนพระอรหันต์เราเราไปดูอ น, นันตริยกรรม ฆ่าบิดาฆ่ามารดาฆ่าพระอรหันต์ทำร้ายพระพุทธเจ้าถึงพระโลหิตนอทำสงราให้แตกกันนี่พุทธเาท่านทร ง, งตรัสไว้เป็นอนันตริยกรรมกรรมนี้เป็นกรรมหนักไปทางอเ ว, อเ ว, อเวจีมหานรกเลี้วไปเลยไม่มีกรรมอื่นมาขั้นในระหว่างเป็นอนันตริยกรรมนี่เป็นกรรมหนักฝ่ายบุญสตัดสินใจแค่ปื้งเดียวเช่นอย่างฆ่าพระอรหันต์เนี่ยแค่ตัดสินใจแค่สมมติยางฆ่าปืนก็ปึ้งเดียว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 ปา ก, กตีนถีบทํางานไม่หยุดไม่หย่อนทั้งกลางวันทั้งกลางคืนเพื่อแสวงหาทรัพย์เพื่อสังสมทรัพย์ทรัพย์ภายในก็เช่นเดียวกันสังสมไปมากๆพระโมคคัลลานะเนี่ยท่านตั้งความปรารถนาเป็นพระอักขะสาวกเบื้องซ้ายด้วยเหตุที่มีกัลยาณมิตรพระโมคคัลลานะไอว่าภาษาที่บวชเป็นกัลยาณมิตร เ, เราปรารถนาเป็นเบื้องขวานะขอเธอปรารถนาเป็นเบื้องซ้ายเนี่ยพวกนี้เป็นขหาบดีนายบ้านทั้งสองเป็นลูกของนายบ้าน ในสุกกตั้งความปรารถนาตั้งความปรารถนาและทําไงต้องเดินให้ถูกทา ง, อ, งอีกทาบุญให้ทานเสียสละไม่มีไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีประมาณไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณเป็นการสร้างเสริมบุญชาวบารมีเขาไปสร้างไปสร้างไปสร้างไปในสุดบรารมีก็ั้งก็เต็มอพอมาชาติสุดท้ายมายชาติสุดท้ายก็เป็นเหตุให้ได้พบได้เห็นได้ได้บวชได้บรรลุธรรมภายในเวลาเท่าไหร่15วันใช่ไหม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 อัตภาพรังกานี่คือผลิตผลของมันมันตามเอาวันนี้ท่านก็นรู้โอ้ไม่นี้แหละตอนนี้เข้าฌานสมาบัติโจนมันก็นมาทุบมติยนคิดว่าตายเข้าฌานสมาบัติก่อนนะโจนถึงมาทุบมาตีตีไงก็ไม่ตายหรอกมันคิดว่าตายก็ลากไปทิ้งพอท่านได้ระยะเวลาที่ท่านตั้งกําหนดมาท่านก็นฟื้นขึ้นมาเยียวยานด้วยฌานสมาบัติก็เหมือนคนปกติธรรมดาแล้วไปลาพระพุทธเจ้าตาย ออการคราวของกรรมถึงถึงแล้วลาพระองค์ปรุิพันธ์ลาพระองค์ม ณ, พ ณ, พณพออพพิพานลาพุ้ใเจ้าตายว่างั้นเถอะพุ้ใเจ้าให้แสดงฤทธิเดชให้น้อ ง, องๆได้ดูได้เห็นเป็นคติเป็นตัวอย่างแล้วแต่การแล้วแต่เวลาอันควรของเธอเถิดท่านไม่เห็นเป็นเรื่องไม่เห็นเป็นเรื่องเสียดงเสียดายใครรอนเออเธออยู่ค่อนช่วยเผยแผ่ธรรมะเรากรณ์นะี้ไม่มี นี่เราเราดูความเที่ยงธรรมของผู้ที่จนมีธรรมท่านก็ผ่านไปแล้วความบรรลุเป็นพระอรหันตของท่านคือจิตมันเป็นผู้บรรลุไม่ใช่กายเป็นผู้บรรลุแต่กายนี้เป็นวิบากเป็นเศษเดนกรรมเก่ากรรมมันก็ตามมาเอาเห็นไหมมันก็ตุกทุกทุกทุ ก, ทกมันก็ตามฐานเหตุท่านแต่จิตของท่านไม่มีพบ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 การยินดีเกิดการยินร้ายยินดีก็ยึดถือไม่ยินดีก็ยึดถือก็ยึดถือว่ามันไม่ดีก็ผลักออกไปยินดีก็ยึดเข้ามาเพราะเห็นว่ามันดีนี่ไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายเห็นก็สักเทวันเห็นได้ยินแต่รู้เข้าใจประโยชน์หมดอะไรคือสังขารร่างกายอะไรคือความต้องการอะไรคือหิวครายอะไรคือหนาวคือร้อนแต่จิตที่บริสุทธิ์ไม่มีความอยากไม่มีความอยากด้วยอำนาจของตัญหาแปลว่าความทยานอยากไม่มีหมดแล้ว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 เข้าฌานที่1นออกฌานฌานที่1เข้าฌานที่สองเข้าฌานที่3เข้าฌานที่4แล้วก็ถอยลงมาเข้าไปถึงอารมณ์ฌานเข้าไปประทับที่สัญญาเวทีตสารีรถขึ้นกลับไปแล้วก็ถอยกลับมาแล้วเข้าฌานที่1เข้าฌานที่2เข้าฌานที่3เข้าฌานที่4จะเห็นพระจิตที่บริสุทธิ์เฉพาะที่อยู่ในองค์ฌานเท่านั้นนะตอนระหว่างที่โดดข้ามมาไม่เห็นเพราะไม่ได้ผ่านสมมติหลวงตาท่านใช้คำว่าสมมติไม่ได้ผ่านสมมติ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 เราก็มองไม่เห็นเพราะมันไม่มีส ม, มุติมาภากพักพิงมาพาดพิงพระฉะนั้พุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ที่เรากราบระลึกถึงบุญคุณของพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์ไม่ใช่เราทําแบบลมๆแรงๆให้ตั้งอกตั้งใจทํามีผลมีอนุสง์ยิ่งใหญ่ไพศาลอย่าเห็นเป็นของไม่สําคัญนะแค่เราทํามัดสวดมนต์อย่าเห็นเป็นของไม่สําคั ญ, นะคนนคญก่อนหลับก่อนนอนตื่นเช้ามาระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์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 เราตั้งใจทําเป็นการสร้างสร้างเสริมคุณงามความดีบุญบารมีให้กับชีวิตจิตใจของเราในความเป็นอยู่เราก็อยู่ยังอยู่เย็นเป็นสุขคนอื่นก็ทุก็ทุกก็เดือดร้อนขนาดไหนก็ตามแต่ด้วยเหตุที่เราดําเนินดําเนินรอยตามทานศีลภาวนาตามหลักพระพุทธศาสนาเราจะมีความสุขมีความเชื่อในหัวใจเราไม่ต้องดูที่ไหนดูความสุขถึงหัวใจของเราพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญที่ความสุขใจ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 อันนี้เป็นความสุขที่บริสุทธิ์ที่สุดเรื่องการให้ทานด้วยการรักษาศีลแต่ความสุขที่บริสุทธิ์ละเอียดมากกว่านั้นคือจิตที่สงบนี่แหละที่เราพยายามแนะนํากันทําจิตให้ได้รับความสงบพุทโธพุทโธให้จิตอยู่กับอา ร, รมณ์เดียวเนี่ยอันนี้เป็นความสุขที่บริสุทธิ์ไม่อิงความดีใจไม่อิงความเสียใจไม่อิงอามิตรใดๆ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 อย่าคิดว่าเราทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่เป็นพัฒนาอะไรไม่ขึ้นอย่าไปคิดเรามีสติมีปัญญาเป็นพื้นพื้ น, นแบบสามัญชนทันนวว่วไปเราสามารถพัฒนาไปได้ดอกบัวสีเหล่าก็อยู่ในเราคนเดียวนี่แหละเราก็เริ่มพัฒนาไปตั้งแต่ปะประมะเนยะวิปจิตันยูอุกติตนยูเป็นบัวที่เริ่มจะโผล่จากทิดตมทิโคลนเป็นบัวที่บัวที่โผล่ขึ้นมากลางน้าเป็นบัวที่โผล่ขึ้นมาเสมอน้า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 ก็คือเราว่าเอาเองนอกจากวิบากกรรมที่หนักหนาสาหัสที่สุดเป็นคนเงื้เงือเงะงะบ้าบ่าบอ บ, บได้สติวิปลาสฟัน่นเฟือนแบบโอ้ชีวิตทั้งชีวิตนี้ก็สักแต่ว่าเป็นมนุษย์เฉยๆอันนี้ก็คือกรรมหนักมันทับถมเขาอยู่รู้ ร, รู้เป็นเป็นรู้เห็นแบบแบบที่เราเป็ น, เ ป, นเป็นกันอยู่นี้อาศัยทําให้มากจเจริญให้มากขยับไปได้พัฒนาไปได้จาก ปทัพรรมะเป็นเนยยะเป็นวิปจิตันอยู่เป็นอุกติันอยู่ในที่สุดเราก็สามารถรู้ได้เห็นได้ก็เหมือนพวกเราพัฒนามาตั้งแต่นู้นก่อนอนุบาลเราก็ยังไม่รู้อะไรพัฒนามาเรื่อมาเรื่อยหลักวิชาความรู้ชั้นเป็นปฐมเป็นมัธยมเป็นอุดมมาเรื่อยในที่สุดเราก็จบขั้นใดขั้นหนึ่งอืก็ถือว่าก็ถือว่าก็ถือว่าขึ้นมาเรื่อยขึ้นมาเรื่อยพัฒนามาเรื่อยพัฒนามาเรื่อยเพราะจิตมนุษย์เป็นจิตที่พัฒนาได้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 บางคนมีพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่สามารถจะแก้ไขได้อาศัยวัดว่าครูบาอาจารย์องค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นเป็นประจักษ์พยานเอ้ยเราต้องเอาให้ได้เราต้องเลือกให้ได้เราต้องเลิกให้ได้มีคนคนหนึ่งเขาได้อ่านหนังสือประวัติหลวงปู่มั่นเขามอ่านโอ้โหของดีหนทางแห่งความดีทางดีทางเลิศางประเสริฐต้องเอาต้องเอาต้องเอาต้องเอาต้องเอาให้ได้ต้องเอาให้ได้นะ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 ปฏิบัติทำพฤติกรรมรา้ายเป็นไปโดยอัดโดยธรรมเพื่อความสุขเพื่อความเจริญจากนั้นแล้วมีความตั้งอกตั้งใจพัฒนาชีวิตไปถึงที่สุดมันมีหนหนทางมันมีช่องทางที่เราสามารถจะพัฒนาชีวิตไปให้ถึงที่สุดจบพจจบจบพจนพบจบชาติในอัตภาพนี้ได้เหมือนอย่างที่เรารู้เห็นครูบาอาจารย์ทั่วไปนะเอาตอนนี้เอาจบแค่นี้แล้วพอเราลงไปก็รับทานเสร็จก็กลับได้เลย อ่าอ่าเ อ, า, อามาสีันหกร้อยส่สิบหกอ่าเนี่นเียนนียให้รางวัลไปผู้หญิงถาดหนึ่งผู้ชายถาดหนึ่งเอาไปนี่หลวงพ่อจัดให้เองนะเสร็จแล้วมีอะไรบุฟเฟต์อยู่ที่น่นก็ไปนะเออเอไปนะเนี่อันนี้เอาไปเออรับทานเสร็จแล้วได้เวลาก็พากันกลับเลยเอ่ เอาไปเอาไันหนของผู้หญิงเอาไปเอาไปเยาะไปยกไ ป, กไปอ่าไปไ ป, ปบุฟเป่ไปรับทานบุฟ เ, เป่อ่าครับอ่าขอไปขอโอนโนาบัตรปิดนอนอ่าเ <ร partnerships. S 1> ขียนเขียนมาเขียนชื่อรวมรมแล้วเขียนอะไรมาเขียนมาเขียนที่ว่ายเราเดี๋ยวเราจะเขียนให้ครับ การจอเรืออะไร